อันเป็นคนว่างเปล่าแล้วของเราถึงไม่ได้บรรลุก็ได้ฟังไว้ก่อนก็ยังดีใช่ไหมมีโยมคนหนึ่งนะเขอบอกว่าอา้าวโยมซื้อพระไตรปิฎกมามีเวลาอ่านหรือเปล่าเขาบอกไม่เป็นไ้เขาบอกมีไว้ก่อนคก็มีไว้ก่อนค่ อ, อ, น อ, อ, อยอุ่นใจหน่อยก็มานั่นแหละของเราก็ถ้าหกว่าพระองค์ไม่แสดงธรรมนี่ก็แย่แล้วนะบรรลุเนี่ยไม่รู้จะบรรลุหรือเปล่าแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งแหละแต่ขอให้ได้ฟังขอให้ได้เรียนให้ได้ศึกษาก่อนเถอะเนี่ยนะบรรลุค่อยว่าทีหลังอนะว่าตอนท้ายๆเอาเนี่ยนะ ทำเหตุก่อนนะนะปลูกสวนมะม่วงไม่ได้กินมะม่วงให้รู้ไปอนะ่ะเนาะศึกษาประทรมคำซ้อนไม่แทงตลอดอริยสัจก็ให้รู้ไปนะครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรหมก็หายไปในพรหมโลกมาปรากฏข้างหน้าของอาตมาภาพเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู่ออกหรือพึงคู่แขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นลาดับนั้นเท้าสหัมบดีพรหมหมผ้าเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมอัญชลีมาทางอาตมาภาพ แล้วได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดขอพระสุคตจงทรงสแสดงธรรมมักเถิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในจักสุน้อยมีอยู่ย่อมจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักยังมีอยู่ นะขอให้นิมนต์แสดงเธอคนที่เขามีปัญญา ม, มากมีกิเลสเบาบางเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฟังทมเขาเสื่อมจากประโยชน์อย่างแน่เนี่ยนะคนที่พอจะบรรลุพอที่จะตรัสรู้ได้ก็พอมีอยู่รอกว่ากันดูก่อนราชกุ ม, มารเท่าสหมดีพรมได้กล่าวคำนี้แล้วครั้นแล้วภายหลังได้กล่าวคาถาประพันธ์อื่นอีกน้ว่าธรรมะที่ผู้มีมนทินทั้งหลายคิดกันแล้ว ไม่บริสุทธิ์คือเจ้าลทัทธิต่างๆเนี่ยนะคิดธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ขึ้นได้ปรากฏในชนชาวมคตทั้งหลายมาก่อนแล้วขอพระองค์จงเปิดอริยมรรคอันเป็นประตูพระนิพพานเถิดเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเป็นประตูแห่งพระนิพพานมันถ้าเราต้องการนิพพานโดยที่ไม่หาอริยมรรคได้ไหมเนี่ยนะ แกว่าจะเข้าห้องอย่างเดียวโดยที่ไม่หาประตูเลยเนี่ยมันจะเข้าไปได้ยังไงนะมุดเข้าไปได้ที่ไหนห้องถ้ายิ่งเป็นห้องสมัยนี้ใหม่ด้วยนะเป็นตึกด้วยไม่ใช่ห้องมา่านเนี่ใช่ไหมถ้มาม่านน่ะมุดเอาเลยไม่ต้องหาประตูแล้วแต่นี่ไม่ใช่อย่างงั้นมุดเข้าไปเนี่ยหัวถลอกแนะนะ่ก็ต้องหาประตูให้พบเนี่ยนะนะอันคนที่จะแสแวงหาพระนิพพานได้ก็ต้องแสวงหาอริยมรักษก่อนเพราะว่าอริยมรักษเนี่ยเป็นประตูแห่งพระนิพพานอริยมรักนั้นผู้ต้องการพระนิพพานต้องแสวงหาหรือ อริยมรรคนั่นแหละเป็นธรรมะที่สแสวงหานิพพานเพราะฉะนั้นขอสัตว์ทั้งหลายจงได้ฟังธรรมะที่พระองค์ผู้ปราศจากมนทินตรัสรู้แล้วเถิดข้าแต่พระองค์ผู้มีเมตตาบดีคือผู้มีปัญญาดีนั่นเองมีจักสุรอบครอบพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจักสุดโดยรอบหมดขอพระองค์ผู้ปราศจากความเศร้าโศกจงเสด็จขึ้นปัญญาปราศาสตร อันแล้วด้วยทโศกแล้วพันหนึ่งถ้ายินดีแสนแสนอย่างนะโศกไปแสนเรื่ อ, องเนี่ยนะคือพระองค์นี้เป็นหมดทุกเรื่องก็เตรียมหากระลมังเอาไวร้รองน้าําตาเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกปราศาสคือปัญญาเนี่ยไข้ค ร, ครวญพิจรารณาหมู่สัตว์ให้รอบคอบเธอเพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เกลือกล่อนกลนไปด้วยความโศกใช่ไหมจะไม่โศกได้ยังไงความโศกเกิดจากอะไรรู้ไหม ความโศกก็เกิดจากความพอใจเกิดจากความรักความเพลิดเพลินในอารมณ์นั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเราเพลิดเพลินหนึ่งนะนั่นแหละเราได้โศกมาหนึ่งละเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วถ้าเรายินดีในอารมณ์หนึ่งพันอารมณ์นะเราก็มีโศกแล้วพันหนึ่งถ้ายินดีแสนแสนอย่างนะโศกไปแสนเรื่องเพราะฉะนั้นถ้ายินดีหมดทุกเรื่องก็เตรียมหากะละมังเอาไว้รองน้ําตาเฮ้ออย่างเงี้ย พราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกไปหมดนั่นแหละเพราะว่าแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นชาติชราครอบงำแล้วเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีจักสุยืนอยู่บนยอดภูเขาหินล้วนคือพระพุทธเจ้าเนี่นะผู้มีปัญญาก็เหมือนกับขึ้นมีปัญญาประปราศาสตรเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ตาดีขึ้นบนยอดเขาในคืนเดือนมืดเนี่ยนะแล้วก็มองไปโดยรอบๆฝั่งนั้น พึงเห็นประชุมชนโดยรอบฉะนั้นนะสัตว์ทั้งหลายที่อยู่โดยรอบรอบเขาก็จะมองเห็นใช่ไหมเพราะคนที่ยืนอยู่บนเขาแต่ว่าขณะที่ยืนมองเนี่ยนะยืนมองบนในถ้มกลางคืนเดือนมืดเขาจะมีกระท่อมเคียงนาน้นยเนี่ยนะรอบๆบริเวณเขากระท่อมไหนจุดไฟก็จะมองเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาก็เหมือนกันขึ้นแล้วก็จะมองเห็นใครมีบุญสร้างบุญไว้เยอะๆพองก็จะมองเห็น มองเห็นนะไปทํำยังไงไปทวงบุญเข้ามาหรือเปล่าไปเรียอะไรหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพระองค์มองเห็นว่าเขามีบุญมากพระองค์ก็จะไปแสดงธรรมให้เขาฟังเมื่อเขาฟังธรรมเขาก็จะพ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งปวงได้ท้าวมหาพรหมก็กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงกล้าทรงชนะสงครามแล้วสงครามแห่งชีวิตนะสงครามกิเลสเนี่ยผู้นําสัตว์อกอกจากกันดาน ผูไม่เป็นหนี้พระพุทธเจ้านี้ไม่มีหนี้อันคนที่มีกามมาชันทะมีโลภะมากๆคนนั้นอันหนี้มากเห็นไหมคนที่ละโลภะได้แล้วก็เรียกว่าคนไม่มีหนี้และพระองค์นี้พ้นจากกันดานกันดานคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นอันขอพระองค์นี้จงเสด็จลุกขึ้นเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมเถิดสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงจักมีอยู่ พรมก็สงสารพวกเราอ่ะนะอยากให้พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมก็จะได้ต้องขอบคุณเท้าสามบดีพรมนะพระองค์ได้อาธิษฐานราชาให้พระองค์แสดงธรรมแต่ถามว่าขอบคุณท่านทำไงอ่ะก็ฟ e. ังธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมมาแล้วก็เอาพระธรรมเหล่านั้นไปตรึกไปพิจารณามากๆอ่ะนะดูก่อนเห็นโทษครั้นอาตมาภาพทราบว่าเท้าสามบดีพรมอรานาและอาศัยขวากข่าในกอบัวหลวงหรือในกอบัวเขา ดอกบัวขาวดวงตาของพระพุทธเจ้าว่างันเมื่ออาตมาภาพตรวจดูโลกด้วยพุท ธ, ธจักสุกก็ได้เห็นหมูสัตว์ซึ่งมีกิกเลสดุดทุลีในจักสุกน้อยก็มีอยู่มีกิเลสดุดทุลีในจักสุกมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีมีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีก็มีมีอาการเลวก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีจะพึงสอนให้รู้ได้ยากก็มีบางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเป็นภัยก็มีเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวเขาดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวเขาซึ่งเกิดในใน้ำเจริญในน้ำบางเหล่ายังไม่พ้นน้าจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว บางเหล่านั้นตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งขึ้นพ้นน้ำไม่ติดน้ำชันใดดูกนราชโกมารเมื่ออาตมาภาพดูโลกด้วยพุทธจักรสุก็ชั้นนั้นได้เห็นปฏิตันยูบุคคลฟังธรรมแล้วบรรลุเลยของเราบรรลุหรือยังถ้ายังก็โอ้ไม่ใช่แน่นอนเลยไม่ใช่เราเนอะอุคติเนี่ยต่อสองในวิปจิตันยูบุคคลก็คือบุคคลผู้ฟังธรรม แล้วก็พระองค์ขยายธรรมะเหล่านั้นให้พิสดารขึ้นฟังจบและบรรลุอ่ะนะอันนี้เรียกว่าวิปปัญจิตันยุบุคคลของเรานี่ขยายมาตั้งหลายวันแล้วยังนะไม่ใช่แนะ่นอนไม่ใช่วิปปัญจิตันยุทีนี้ท่านเนยยะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ฟังธรรมและบรรลุเลยทันทีก็เหมือนกับบัวที่พนน้ําได้รับแสงอาทิตย์ก็บานเลย ศาสตร์ที่ฟังธรรมแล้วบรรลุเลยทันทีเขาเรียกว่าอุคติตันยูอุคติตันยูบุคคลฟังธรรมแล้วบรรลุเลยของเราบรรลุหรือยังถ้ายังก็โอ้ไม่ใช่แน่นอนเลยไม่ใช่เราเนะอุคติเนี่ยต่อไปสองวิปปัจิตันยูบุคคลก็คือบุคคลผู้ฟังธรรมแล้วก็พระ อ, องค์ขยายธรรมะเหล่านั้นให้พิสดารขึ้นฟังจบแล้วบรรลุอ่ะนะอันนี้เรียกว่าวิปปัญจิตันยูบุคคล ของเรานี่ขยายไม่ตั้งหลายวันแล้วยังน ะ, ะไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่วิป จ, จิตันอยู่ทีนี้ท่านเนยะยังไงเนยะบุคคลก็เหมือนกับคือบุคคลที่ฟังทำแล้วขยายโดยพิสดารก็ยังไม่บรรลุหรอกแต่ไปท่องไปเรียนไปอ่านไปขีดไปเขียนไปสาธยายไปแสดงเองไปฟังทั้งเทศทั้งสาธยายทั้งแสดงเอาหมดทุกเรื่องเออบรรลุได้เหมือนกันอันนี้นะเหนื่อยมากอย่างนี้เขาเรียกว่าเนยะบุคคล ก็คือพระรัฐบาลนี่ออกบวชสิบสองปีอะ่ะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกวันแล้วปฏิบัตินะ่จะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้คิดอยู่อย่างนี้สิปีจึงได้บรรลุอท่านเหนื่อยขนาดนี้เรียกเนยะบุคคลเนี่ยนะบางคนก็ไปบรรลุใกล้าตายถ้ายังไงชาตินี้ไม่ได้บรรลุแน่นอนปะทะประมะนะบัวใต้น้ำเอ้ยคือเรว่าบัวใต้โคล น, นมั้งเนาะไม่ใช่ใต้น้ำใต้น้ำํำยังพอจะงอกๆขึ้นออกมาได้มั้งเาะฉะนั้นผู้ที่ บรรลุในชาตินี้นะมีอยู่สามประเภทหนึ่งอุกติตันยูสองวิปัญจิตันยูสามในยะบุคคลถ้าผู้ไม่ได้บรรลุในชาตินี้แน่นอนอันนี้เรียกว่าปทะปรมะเมื่อก่อนเนี่ยนะเรามันต้องประเภทบัวชั้นต้นๆเนี่ย ไ, ไหยพวกไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ต้องเป็นประเภทบัวใต้นะ้ําดูท่าไปไ ป, ไป ม, า ม, ามาก็พอกันนั่นแหละหน้าอยู่ใกล้ๆกันนั่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอืม ถ้าหากว่าเราศึกษาไปแล้วก็คนสะสมบุญไปแล้วนะชาตินี้เนี่ยเราโง่ที่สุดมันน่ะถ้าเราศึกษาธรรมะดีๆนะชาติหน้าเราต้องฉลาดที่สุดใช่ไหมมันพระองค์ก็เลยได้ตรัสว่าดูก่อนราชกุมารครั้งนั้นอาตมาภาพได้กล่าวรับเท้าสหบดีพรมด้วยคาถาว่าดูก่อนพรมเราเปิดประตูอมะตะนิพานแล้วเมื่อสัตว์ทั้งหลายผู้มีโสดจงปล่อยศรัทธามาเถิดเนี่ยนะ คำสอนของพระ อ, องค์นี่ก็ขอให้เรามีทุนต้องมีทรัพย์นะจึงจะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทรัพย์ในที่นี้คือทรัพย์คือศรัทธานะนคนที่ไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะศึกษาคําสอนของพระ อ, องค์ได้จริงๆแต่อย่าลืมนะศรัทธาคืออะไรธรรมชาติที่ยังจิตให้ผองใสเนี่ยนะ ธรรมชาติที่ทําให้ใจใสนั่นแหละเรียกว่าศรัท ธ, ธามันจะโอ้ยศักด์แต่ว่าเชื่อเขาให้ไปทําอะไรก็ทําหมดเนยนะให้รอดท่อใต้ท้องช้างก็รอดหมดไอย้ยางงั้นเรียกงมงายโ ง, ง, ง่ไม่ใช่ศรัท ธ, ธาแล้วถ้าศรัท ธ, ธาก็คือธรรมชาติที่ยังจิตให้ผ่องใสถ้ามีศรัท ธ, ธาก็ปารบทานศีลและภาวนามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าสัตว์ผู้มีศรัท ธ, ธาก็ปล่อยมาเถิดเหมือนกันเงี้ยโสดมาเถอะแล้วก็ปล่อยศรัท ธ, ธาไป พันพระองค์นี้เปิดประตูอ ม, มาตะนิพานแล้วประตูนิพานเป็นชื่อของอะไรนะเป็นชื่อของอะไรประตูนิพานนี่เป็นชื่อของบอกแล้วเมื่อกี้หัวมวนทายมวนกระชักแย่แล้วนะอ่าประตูนิพานเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่นะถ้าเปิดนิพานก็ต้องเปิดที่ประตูงันเปิดอริยมรรคเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าเราสําคัญว่าจะลําบาก จึงไม่กล่าวธรรมะอันคล่องแคล่วประณีตในหมู่มนุษย์ยครั้งนั้นท้าวสามบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงอภิวาทอัตมาภาพกระทำพระทักษิณแล้วหายไปณนะที่นั้นเองอันนี้ก็เห็นให้เห็นความยากลำบากของพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปทรงแสดงธรรมซึ่งหลังจากที่พระองค์บรรลุแล้วเที่ยวประกาศธรรมนั้นเราทั้งหลายก็คงจะได้ฟัง ในวันต่อๆไปด้วยแต่ก็ปลูกเข้าไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้เรียนคําว่าโลกวิทูใช่ไหมโลกวิทูในหน้าต่อ ถ, ถัดไปนี่นะโดยเฉพาะสั ต, ตะวะ์โลกในหน้า9้านี่นะซึ่งเราจะได้เรียนละเอียดนิดนึงแล้วก็ปลูกพระองค์มองเห็นเรานี่นยแหละจึงฝากฝังคําสอนไว้ให้แต่ถ้าหากว่าฝากมรดกก้อนโตวไว้ให้แต่ไม่รับเอาก็โอ๊ยสาวทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆสัตว์น้ํามากษัตริย์บก เราก็สัตว์น้ําหรือสัตว์บกเรเลือกเอาเอาถามใหม่ว่าคนตาบอดเนี่ยนะในเวลากลางวันเนี่ยเขา เ, าเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องเขาไหมเขาตาบอดนะแต่เวลากลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์ส่องเขาไหมแล้วคนตาบอดรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์ส่องไม่รู้นะของเราก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้ามองเห็นเรานะนะั่นแหละอย่าไปคิดว่าพระองค์มองไม่เห็นเลยนี่นนะตาบอดแต่อย่างอะไรเนะึกว่ามีใครมองเราเห็นเลยวนะ่ะ คนที่มองเห็นเราก็มีอยู่หรอกนะครัพระพุทธเจ้านะเพราะพระ อ, องค์มองเห็นเรานั่นแหละจึงฝากฝังคําสอนไว้ให้แต่ถ้าหากว่าฝากมรดกก้อนโตวไว้ให้แต่ไม่รับเอาก็โอ้ยสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆสัตว์น้ํามากกว่สัตว์กต บ, บกเราก็สัตว์น้ําหรือสัตว์บกเราเลือกเอาเราก็จะมีความอบอุ่นใจเยอะคนที่ไม่มีที่เคารพ ไม่มีที่ยำเกรงไม่มีที่ระลึกถึงเนี่ยนะก็ไม่อุ่นใจเราลองมาแยกดูนะระหว่างคนกําพร้ากับลูกที่มีพ่อมีแม่เนี่ยนะแตกต่างกันไหมอ่าคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยนะเวลาเขาใช้ชีวิตเป็นอยู่เนี่ยนะชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างว้าเว เวลานึกถึงปัญหาอะไรอะไรก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรสมเดาไปเรื่อยไม่อุ่นใจเลยนะแต่คนที่มีที่พึ่งพิงมีพ่อมีแม่เป็นต้นเนี่ยนะที่ให้ความอบอุ่นทางความคิดเวลากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็อุ่นใจว่าปัญหาเหล่านั้นเรามีคนช่วย เรามีคนแก้ให้เราเราก็จะเบาใจไปเยอะหรือบางทีก็ไม่รู้สึกหนักใจเลยถ้าหากว่าเรามีที่พึ่งพิงการดำเนินชีวิตของเราก็ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามีที่พึ่งพิงทางความคิดคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพิงเป็นสาระเป็นที่พึง่งเป็นที่คำานึงเป็นที่ยึดถือเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เรามีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะความคิดของเราก็ไม่เหงาไม่ว้าเวถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนจนเป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีความคิดของเราหนึ่งความคิดที่เราคิดขึ้นเราก็จะระลึกนึ ก, กถึงพระธรรมคำสอนได้พระธรรมคำสอนจะคอยบอกคอยชี้แจงให้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่างจริงๆเนี่ย น, นะ ความอบอุ่นทางใจเนี่ยนะจะมีค่อนข้างมากชีวิตของเราเนี้ไม่โดดเดี่ยวเพราะว่ามีผู้ทางความคิดเบาใจสบายใจแน่ละฉะนั้นการศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เรามีเกาะมีที่พึ่งพิงมีที่อาศัยเราก็ไม่เหงาทางความคิดถ้าคนที่สังเกตแยกแยะชีวิตเลยนะถึงอยู่ในวงเพื่อนฝูงวงสาคนาญาติก็จริง บางครั้งเราก็รู้สึกอบอุ่นใจบางครั้งเราก็ไม่อุ่นใจเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่างจริงๆเนี่ยนะความอบอุ่นทางใจเนี่ยนะจะมีค่อนข้างมากชีวิตของเรานี้ไม่โดดเดี่ยวเพราะว่ามีผู้ชี้แนะทางความคิดแกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่มีพระพุทธเจ้าชี้นาทางความคิด ถ้าชี้ทางความคิดแล้วก็แสดงว่าชี้ทางคําพูดด้วยเนาะชี้ทางกายกรรมด้วยชี้ทางคําพูดด้วยเรียกว่าวาจีกรรมแล้วก็มนโนกรรมพลันกรรมสาคือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเราก็มีพระพุทธเจ้าชีน้นําอารมณ์แต่ละอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผทะพะและธรรมรมณ์ในอารมณ์นั้นๆพระพุทธเจ้าก็จะบอกเราเลยว่า อารมณ์นี้เป็นอย่างนี้นะอารมณ์นั้นเป็นอย่างนั้นอารมณ์นั้นควรซ่องเซฟควรทําให้มากอารมณ์นั้นมีโทษไม่ควรตรึกไม่ควรซ่องเซฟไม่ควรเกี่ยวข้องพระองค์ก็จะบอกเราบอกหมดเลยเพรัะเราก็จะมีคนชี้นําอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าหากว่าเราพื้นฐานเป็นคนมีศรัทธาคือมีใจใสที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ท่านเราก็ ชีวิตของเราก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยท้ายเดียวเพราะว่าบุคคลเอกคือบุคคลคนเดียวว่า ง, งั้นแท้ที่เกิดขึ้นมาในโลกแล้วยังประโยชน์ความสุขเนี่ยนะซึ่งเกิดขึ้นแล้วสามารถทำประโยชน์และความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวที่ว่าก็คือพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทันพระตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแค่บุคคลตามและเลึกถึงก็เป็นกุศลถ้าหาว่าบุคคลที่ได้ฟังโอวาทคาสอนของพระองค์สภาพจิตขณะนั้นก็เป็นไปกับกุศลหรือบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์ท่านคนที่ปฏิบัติตามธรรมะ ที่พระองค์ทรงแนะนำตามสมควรก็พ้นจากวัตถุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข <c oughs> แก่เ่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> ผู้ทุกข์ทุณที่เราศึกษาตั้งกตะต้นมานับตั้งแต่อรหังเหมือนนะซึ่งแปลว่าผู้ไกลาจากกิเลสผู้กาจัดข้าศึกคือกิเลสผู้หักเซ่กรมแห่งสังสาระจัก ผู้ควรแก่ปัจจัยสี่ผู้ไม่มีบาตธรรมะเหล่านี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุด้วยพระองค์เองหรือว่าตรัสรู้ถ้าไปตามตรึกละลืกถึงคุณเหล่านี้บ่อยๆก็ชื่อว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติอันคนที่เจริญพุทธานุสติเขาก็จะพ้นจากทุกข์ได้นี่ต่อไปบทพระพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะธรรมะเหล่านี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุด้วยพระองค์เองหรือว่า ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะทุกสมุทัยนิโรธมักแต่ใช้คําว่าทูปเฉยเฉเนี่ยเราก็อาจจะเออคุ้นเคยกันอยู่ดีแต่ว่าในวิสุทธิมักเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็จําแนกให้เห็นว่าจักขูเป็นทุกขศาสัจตัญหาในการก่อนเป็นเหตุให้จักขูเกิดเป็นสมุทัยศาสัจความไม่เป็นปลายของจักขูและจักขูสมุทัยชื่อว่านิโรธสัจข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้แทงตลอด นิโรธสัตว์นั่นแหละเป็นมั ก, กสัตว์เนี่ยนะแต่ระบทแต่ระบแเราก็มาขยายความให้พิสดารต่อไปก็จะเห็นทราบซึ้งในพระปัญญาคุณที่แทงตลอดพระธรรมแทงตลอดธรรมธาตุโดยกว้างขวางหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะลึกซึ้งจริง ๆ, ๆ ทีนี้พระพุทธคุณบ่นว่าวิชาจารณะสามปันโนคือวิชาสวิชา8จารณะ15วิชาสก็คืออวิชา8ปก็คือวิปั ส, สนาญาณ น, นะญาณในวิปั ส, สนาที่ยังเห็นรูปนามขันห้อย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดนี่นะโดยความเป็นไตรลักษณ์เป็นต้นตามลำดับสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆ หรือว่ามาโนโมยิทธิเียกว่าเนรมิตรูปอื่นจากกายนี้นะนะมโนโมยิทธิก็คือฤทธิ์ที่สําเร็จทางใจก็คือเนรมิตให้เป็นหลายคนได้หรือว่าพระ อ, องค์ก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้พระ อ, องค์มีตาทิพย์มีหูทิพย์นี่นะมีหูทิพย์สามารถฟังเสียงที่ไกลไกลแม้กระทั่งพรมคุยกันก็พระ อ, องค์ก็ได้ยิน หรือพระ อ, องค์ก็สามารถกำหนดรู้วาระจิตของคนอื่น